ควบลมหายใจเขาและให้ภาวนาดูคำว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ให้ภาวนาข้อนี้ ความหมายในคำว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่อันนี้เป็นคำเตือนสติของทุกๆุกคนแต่คนเราไม่รู้จักเอามาสนใจคำว่าวันคืน วันกับหมยถึงกลางวันคืนกับหมยถึงกลางคืนกางคืนที่เราเรียกว่ากลางคืนนั้นไม่ใช่มันมีกลางคืนกลางวันที่เป็นกลางวันเพราะเมฆอาทิตย์สองแสงฆาอาทิตย์สองมาถึงเราก็เรียกว่ากลางวัน เมื่อแสงพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงก็เรียกว่ากลางคืนโลกครางนี้ถ้าไม่มีดวงพระอาทิตย์มาส่องโลกนี้ก็มืดหมายถึงโลกพื้นแผ่นดินเราหมายถึงตัวเราทุกคนเราทาอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราพูดอะไรอยู่ เรานั่งสมาธิภาวนาอยู่หรือไม่เวลานั่งสมาธิกายของเราสงบระงับอย่างหลักสมาธิหรือไม่ถ้าเราภาวนาอยู่รู้จักรู้แจ้รู้จริงในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ชื่อว่าเราภาวนาอยู่ สมถภาวนาล้วภาวนาเต็มที่หรื อ, อยังวิปัสนาภาวนาล้วภาวนาถึงขั้นทาให้แจ้งในวิปัสนากรมฐา น, าานาหรื อ, อยังเห่านี้ทั้งหมดแหละให้เป็นเครื่องเตือนใจของเหล่าในละนี้ว่าวันคืนเดือนเี มันเปลี่ยนไปหมุนไปมันหมดไปสิ้นไปแต่เรายากเข้าใจว่าวันคืนนั้นมันหมดไปวันคืนไม่หมดไอสิ่งที่มันหมดไปสิ่งไปอะไรชีริตของแต่และบุคคลมันหมดไปสิ้นไปวันคืนเดือนปีมันไม่หมด ดวงระอาทิตย์ก็ไม่หมดผืนแผ่นดินก็ไม่หมดท้องทับฟ้าอ า, ากาศก็ไม่หมดแต่ชีรึตของคนเรามันหมดไปหมดไปตัวเราที่มานล่้งภาวานาอยู่อันนี้มันยังเหลืออยู่แต่มันหมดไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก แต่จิตใจเราก็ไม่รู้ฉะนั้นให้ภาวนาดูว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปคนทั้งหลายทําอะไรอยู่ทาบุญหรือทําบาตทําบาตหรือทําบุญ วันคืนล่วงไปความจริงวันคืนมันไม่หมดก็ตั้งแต่ตั้งโลกมาวันคืนเดือนจีไม่มีหมดคีเมตของคนเรามันหมดไปสิ้นไปพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราท่านทั้งหลายก็หมดไปหมดไปเหมือนไฟป่าไม่ป่ามา คนเราก็ตายไปเหมือนไฟต่อไม่มานะ่มันไม่อยู่ในเวลาปัจจุบันชีวิตของคนเราตัวเราเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติภาวนาไม่รวมจิตใจลงมาในวัยลาปัจจุบันไม่รู้ ถาใจอยู่นอกกายนอกจิตตัวเองก็ไม่รู้อีกที่เล่าว่าเราลูคนนั้นลูอย่างนั้นอย่างนี้เนะีะอันนั้นจะเรียกว่าลูตามสัญญาลูตามคำลาคำลาว่าอย่างนั้นแผนที่ว่าอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนกระทั่งเกิดมาเรียนหนังสือจบจบท่านยิทธาเรียนของโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศอันการศึกษานี้ท่านเจ้คุณอุบลีคโนปมัมมจาร์เจ้า อ, อาวาสวัดบรมนิวาจกรุงเทศท่านแสดงไว้ว่า การศึกษาท่านหมายทังการเรียนการศึกษาทางโลกหรือทางธรรมในปริยัติธรรมก็เหมือนเหมือนกันท่านว่าทั้งเรียนทางโลกและเรียนปริยัติธรรมของมันเป็นเรียนทางโลกอย่างขึ้นกับ การศึกษาในทางคณะสงฆ์อยู่อยะไานี้ก็เหมือนกับเขาเย็นทางโลกนั่นแหละจากเป็นชั้นนท่านสอนไว้ว่าท่านเป็คุณลืปลีคุณโอคอามาจากชีวิตของคนเหล่านี้ท่านร้อยกีสมมติว่าคนที่มีอายุร้อยปีตาย ตั้งแตเกิดมาไม่ต้องทำไม่ต้องปฏิบัติอะไรเละนั่งเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดจนอายุร้อยปีก็ไม่จบอ่านว่ายอย่างนั้นไม่ว่าเรียนทางโลกไม่ว่าเรียนทางธรรมันต้องเรียนไปจนถึงวันตายร้อยปีตา ย, ต, ายต่ไม่ต้องทำงานอะไรแล้ว ต้องใหจบทันตแต่ว่าการเรียนการปฏิบัติเรียนแล้วปริยัติธรรมเข้าใจแล้วว่าต้องทำอย่างนั้นต้องภาวนาอย่างนี้ต้องละกิเลสเมื่อรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติภาวนาทังต้นแต่จิตตัวเองไม่สงบแล้วครับ ก็เอาให้จิตของตัวเองสงบละมั้จนถึงขั้นละส ก, กายทิยิกิจิาถิละพัตตะปละมาต์ได้จนได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิคาคาอนาคาอารหันตตาการเรียนการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้น ไม่ต้องถึงร0อยปีก็เรียนจบธนาน ค, คำว่าจบของท่านหมายถึงได้บรรลุมรรคผลคุณธรรมในทางพุทธศาสนาเรียนถึงปริยัตปฏิบัติปฏิเวคือได้บรรลุมรรคผลในทางถ้าไปจบนั่นแหละนะอายมไม่ถึงร0อยปีกก็จบได้ พอถ้าถึงร้อยปีผู้ใดภาวนาละกิเลสในจิตในใจของตัวได้อะ น, น้นมันจบอยู่ที่ของนี้พระพุทธเจ้าสาัตอานตลคณาตดสอนปัญจวัคคีลูสีทั้งห้าได้สำเร็จ เป็นพระอรหันตาจินาศในบทชุดท้ายทันกว่าวุชิตังครมจาริยังกะฟังการณ์มิยังนาพลังอิจตายติปญานาจิติเรียกว่าเคราจันอยู่จบแล้วคิดที่ควรทำได้ทำหมดแล้ว กิตเกินมันเป็นกิตโลกจิตทำจิตให้หลุดพ้นให้แจ้งทรานิพาที่ว่าพรอมจันทร์อยู่จบแล้วคือว่าท่านภาวนาเอาจนกิเลสราคะโทสะโมหะมันหมดจากจิตใจของพระอริยะเจ้ามันหมดมันสิ้นสุดวมาต้องทำอีกจะทำก็แล้วว่า ทำการทำงานของโลกธรรมดายัางมีชีวิตอยู่ก็ทำไปแต่ว่าภายในจิตใจของพระมันจบละจิต ท, ที่ทำาอยในโลกเป็นเพียงกิริยาอาการท่านไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าจิตใจของผู้ที่เรียนหรือว่าปริยัตยิธรรมก็เป็ ถ้ายังไม่ภาวนาไม่เกณนภาวนาไม่ได้จิตใจมันก็ว้าวุ่นไปหมดทำอะไรมันก็ฟุ้งซ่านลำพานกันเพราะโยกับกิเลสพาอยู่ไปกับกิเลสพาไปยึนกิเลสพายืนเดินนั่งนอนพูดจาปาศัยได้ดีมีศกทุกยากลําบากเข็ญใจก็เพราะกิเลสพาเป็นไป ร้อนร้อนด้วยลาทักกินาร้อนด้วยไฟลาคไฟลาคตันหาเนี่ยมันร้อนไม่มีจบไม่สิ้นถ้าใครเลิกไม่ได้ละไม่ได้เราก็ร้อนเนี่ยเราวันคืนร่วงไปร่วงไปเราทำอะไรอยู่ แลราละกิเลสได้หรื อ, อยังเราภาวานาใจสงบหรื อ, อย่างเราคิดว่าจะไปบ้านไปเมืองไปโน่นไปนี่อันนั้นมันเป็นเรื่องกิเลสมันไม่จบนะจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ออกพรรษาลาพระเจ้าเรานี่ไม่มีที่จบวนอยูน่นะ ให้สงบประนัดตั้งใจมั่นลงไปสถานที่เราแล่นสมาธิภาวนาอยู่นี้เป็นสถานที่สงบประมัดที่สุดในโลกกวา่านะถ้ำผาปลองที่เราอยู่นี่เรียกว่าส ง, งับที่สุดดีเวทที่สุด แล้วที่นี้มันเป็นที่เต่าแก่โบราณโลกสิทธิพพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย น, นับตั้งแต่พระพุทธเจ้ากกกุสันโธมาตรัสรู้ในโลกสาวกเพื่อนสมมาขวัญ น, นาพระพุทธเจ้าโกนาธรรมโนมาตรัสรู้ในโลก สาวกขัณนกามาภาวนาเจ้สาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับสะโป้พระเจ้าขัดสปะสาวกทัณฑกามาภาวนานมะาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าโคของเราท่ทาทั้งหลายนี้ก็ส า, า, าวกขัณนกมาภาวนาะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ตาพระขาวนางชีลุยสีครามาณีวันกมามภาวนาทีนี้เราก็ต้องเลิกว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดมันขึ้นอยู่กับว่าก่อติดตักภาวนาเตือนใจของเราว่าวันคืนมันหมดไปสิ่นไป เราไปงัวคำอะไรอยู่วันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นเราภาวนาได้กี่ชั่วโมงได้กี่นาทีต้องดูดวูความประพฤติการกระทําการนิกน้อมภายในจิตใจเรีย ว, ว่าภาวนา ไม่ปอยให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาลไปตามอันนาทีเลตตันหารธรรมาดากิเลสกิเลตนั้นเล่เหลี่ยมมารยาสาถายคนธรรมดาสร้างมันเรียนไม่ได้ไม่ทันต้องภาวนาต้องสงบตายสงบวาจาสงบจิต สงบเพียงคำพูดคำชี้แจงแสดงน่งในขอต้องมีกายยีวิเวกจิตวิเวกอุปธิวเวกแตงมีภายนอกภายในจิตใจจึงสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้ไม่ใช่ฟังอย่างเดียวไม่ใช่คิดเอาเอง เรต้องภาวนาให้มันเกิดความถูกต้องขึ้นมาเมื่อภาวนาจนถูกต้องตามทำนองของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะภาวนาบทใดขอด้อใดก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นในทางนั้น สมยายครั้งพุทธกาลท่านภาวนาใกล้หนองปลาท่านเห็นนกยางกินปลาเอามาติดเนตติธนาว่านกยางช่องกินปลาเบียเดเบียนตากินปลาอย่างไรท่านก็บอกพิจารณาดูใจของท่านว่าใจเราเนกอะคอยเบียเดเบียนผู้อื่นอยู่เหมือนนกยางคอยกินปลา ท่านก็สลดสังเลชว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เบียดเบียนกันอยู่ทั้งโลกมนุษย์กับมนุษย์ก็เบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยสัตว์น้อยกินสัตว์ใหญ่มันเบียดเบียนกันอยู่ตลอดกาลจิตใจของท่านก็สลดสังเวชจงจุดใจสงบกระนั้น เกิดปัญญายาเขึ้นงมาได้ละกิเลสราคะโทสะโมหะองนั้นไม่ได้ภาวนาพุโทโธภาวนาว่านกยางกินตานกหมายถึงสัตว์ทั้งหลายมันเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้เนาะเกิดมาได้ก็เบียดเบียนกันมนุษย์คนเราไม่ใช่ว่ามีแต่คนรักกันคนชัยกันคน หาข้อเล่มที่จะทำลายชีวิตของเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้คนเกียดคนชังกนีนคนรักนั้นมีน้อยคนชางมีมากคนโบราณท่านเนจงจ่าแต่งเป็นคำสอนใจเลยว่าคนที่มีความรักนั้น มีเท่าผืนหนังคอยหนังเหมือนหนังวัวหนังคอยหนังอายนั้นมีจํากัดแต่ว่าคนฉังนั้นมีเท่าผิวเสือผิวเสือก็ว่าตัวนั้นคนช่างมันมีได้เต็มโลกมันมากกว่าคนละ เะนั้นเราอย่าไปหลงคนหลักอย่าไปหลงอารมณ์กิเลสคนช่างคนคอยเบียดเบียนมากแต่เขาไม่ได้บอกให้รู้เพราะว่าบอกให้รู้มันก็ไม่พอใจของคนแต่ว่าคนที่ชอบพ อ, พอใจกันนั้นคนหนึ่งสองคนมันก็พอ ก็รู้มาบอกว่าข่าพแปเจ้าเขาลบนับถือท่านแต่คนั้างเขาไม่บอกโนอนเหาะถึงฆ่ากันตายกลางถนนถนทางเป็นศพไปแล้วมแก้ไม่ได้อันนี้เขาจึงแสงคำสอนคนรักมันมีเข้าผืนหนังคือว่าน้อยนิดเดียวนะ คนฟังเข้าผืนเสือสาคือว่าคนฟังมันเป็นได้เป็นโลกคนทางโลกมากแต่ไหนคนเกียดทางมันมากคนแรกชอบพอพอใจสนานีน้อยคนฟังมันมากคือเป็นการเตือนใจของเราทุกคนมันเอง เตืนใจว่าวันคืนมันหมดไปสิ้นไปเราทำอะไรอยู่เราไปมัวเพลิดเพลินอะไรอยู่ไปมัวเสียอกเสียใจอย่างไรอยู่ทำไมไม่ภาวนาทำไมไม่ละกิเลสภาวนาให้มันหมดสิ้นไปเวลาความแก่มาถึงเข้าเอาละ่ะ ตู่ไม่ไหวแล้วแล้วเวลาความเจ็บไข้ในป่วยมาถึงเข้าเจ็บมันก็ว่าวุ่นไปหมดเอาไม่ทันเอาไม่ได้ยิ่งความตายจะมาถึงสมมติว่าวันนี้จะเป็นวันตายของเราของคนใดคนหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าเราเอาทันไหมเราละกิเลสไล่ก่อนหรื อ, อยังละกิเลส ราคะโทตะโมหะได้หมดสิ้นหรื อ, อยังก็ตอบได้ตนเองว่ามันยังไม่หมดก็ยังไม่หมดเราไปทำอะไรอยู่ก็วันคืนเดือนปีมันหมดไปหมดไปทีเด็ของคนเรามันก็หมดไปสิ้นไปเหมือนจุดเทียนขึ้นมาแล้วไฟมันก็ไหม้ใส้เทียนลงไปจนหมดเกลืูกบลงไปจนหมด แล้วทำอะไรอยู่ไม่ชินนิจจารณาต้องเตือนใจของตัวเองเรียกว่าเป็นบทเตือนใจวันคืนร่วงไปร่วงไปเราทำอะไรอยู่เราภาวนาแล้วหรื อ, อยังเราได้ที่ภาวนาดีแล้วย่างขำปองเราวุ่นวายจะไปไหนอีก ไ้เที่ยวทุดงทุก ด, ดังว่ากันไปความจริงที่ไหนมันก็ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติภาวนามันก็เท่าเท่ากันนั่นแหละจงพวงใจด้วยตนเองว่าอยาได้ะมาธิเือภาวนานทุกลมหายใจเข้าออกเพือให้รู้ว่า ทุกลมหายใจเข้าไปและทุกลมหายใจออกมามันมีแต่หมดไปสิ้นไปไม่ใช่ลมหายใจมันหมดทีเม็ร่างกายของแต่และบุคคลมันหมดไปสิ้นไปเหมือนไฟไหม้ถูกเทียนทีเม็ของคนเรามันไหม้ไปหมดไปสิ้นไป จิตคนไม่ภาวนาไม่บรรลุมรรคผลนิพพานมันไปอีกเลียมหนึ่งเพิดอเดินไปตามกิเลสลาคะปัญหาโทสะโมหะวุ่นวายไปหมดกิแลกเหล่านี้มันพาให้มนุษย์คนเราหลงมาในโลกนี้นับไม่ได้นับไม่ทั่วแ้วพระพุทธเ จ, จ, จ้าจึงกล่าว การเกิดตายของพระองค์ก็ตามของสัตโลกคนทั้งหลายในโลกนี้ทัาใกล้คำว่าอนเอกาอนเอกชาอเนกชาที่สังสารลักสังทาที่สังอเนิทีสังเพอว่ามันนับไม่ท่วมแล้วการมาเกิดมาตายอย่างที่คนเราเป็นอยู่นี่แต่จุดนี้มันหลง ไม่ภาวานาให้มันแจ้ง ใ, ในจิตในกายเขเลยโลเ ล, ลหลงไหลไปกับโลกธรรมดาเขาเขาหลงยังไดจิตเราที่ขาดสติสมปลอสัญญะก็เลยหลงไปกับโลกเขาหลงมาจะเกิดเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวหลงไปแต่กลุ่มสาวจนถึงวัยแก่วัยชร หลงไปจนถึงวันใกล้จะตายตายแล้วก็หลงต่อไปอีกวนอยู่อย่างนี้ทางจึงใช่ว่าอันเนกอันเล็กอันมันอันเนกกระสานับไม่ถ้วนการเกิดการตายจึงให้ตัวใจของตัวเองว่า ให้หลงไปนำอาหาริการกรินเครื่องนุงห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคไทยไข้เจ็บอะไรทั้งหมดนั้นไม่ไให้หลงอันนั้นเป็นความเตือนสติตา่างหาแต่จะไม่หลงจริงๆตัวเองต้องภาวนาให้รู้จักรู้แจ้งเข้าไปะระงับ จ, จิตใจภายใน จนถึงขั้นละความหลงความไม่รู้อันมีอยู่ในตัวในใจของตัวเองให้ได้ให้เป็นไปไม่ให้จุดนั้นโลเลโลเลอยู่ในวัฏฏะสงสารให้มาแจ้งมาเกิดมาเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้เจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้อะไรทุกอย่างให้เตือนจิตอันนี้อยู่ กิจใครกิจเราไม่ใ hey. ห่คนอื่นไปเตือนให้ถ้าคนอื่นไปเตือนให้มันไม่ทันการมันห่างไกลถ้าคิดความรลึกได้ความรนลึกได้เอามาจากไหนกับจิตนั่นแหละใจของตัวเองระลึกภาวนาขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่อะไรมันดับไป ความที่เกิดขึ้นมาตัวเราที่เกิดขึ้นมาความหลงของจิตมันก็เกิดขึ้นมาว่าจะได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามอำนาจที่กิเลสมันบงการแท้ที่จริงมันเกัดทุกเดี๋ยวก็ได้ล่องให้น้ำตาหลวุ่นวายไปหมด เพราะความาพักผาาจากของรักของสอบใจหรือความาพักผาาจากชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเรานั้นเวลาถึงความตายมาถึงเข้ากายกับจิตนี้จะอยู่ในด้วยกันไม่ได้แล้วว่าแยกกันไปไปคนละทิศละทางจิต ทำบุญบาปไว้ก็ไปสู่บาปจิตทำบุญไว้ก็ไปสู่บุญจิตละกิเลสลาภโทสะโมหะได้ก็ไปสู่นิพพานจิตละไม่ได้ก็มาเย็ยนตายเยยนเกิดวุ่นวายอยู่อย่างนี้แครับพุทธเจ้ามาตรัสรล้ในโลก ก่อนสองพันปีกว่ามนุษย์ทั้งหลายา ก, ลก็ยังไม่หมดไปจากโลกยังไม่หมดยิ่งสมัยนี้เขาเรกวยิ่งมากกว่าสมัยก่อนด้วยนั่นเกิดมานั่นเกิดมาจากไหนก็เกิดมาจากเิต ที่เต็มไปด้วยอายุชาความไม่รู้ตัณหาความบิณฑลนไม่สงบตั้งมนาะมันก็สร้างตัวของมันขึ้นมาแต่ละบุคคลแล้วก็มาทุกมาเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ในวัฏ ส, สงสารอย่างนี้แหละต้องทำความเคียนพยายามทำใจให้ขงกตั้งมั่น มีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานให้เกิดมีขึ้นในตัวคือภาวนาอยากได้ทอเถอหรือว่ามีสติอยู่ทุกเวลาสตินี้คือระลึกได้แต่สติความระลึกน่ย้ยว่าเราทำอะไรอยู่ เดี๋ยวนี้นั่งอยู่นั่งแล้วมันจะเก็นอะไรไปก็ยืนยืนก็เดินเดินไปมานั่งก็กินก็นอนอยู่อย่างนี้แหละเราภาวนาละกีแเล็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกหรือไม่ตรงงานี้แหละจะให้กระตุ้มเตือนใจของเรา ให้มีความมานะอดทนในการที่ทําความดีให้ได้ตลอดไปถ้าทำความชั่วนั้นพระพุทธเจ้ตัสว่าพอแล้วไม่ต้องทําอีกเพราะบาปความชั่วทีวว่เราทำแล้วมันบากบาปนั้นมันเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อผลกรรมนั้นมาถึงเข้ามันเดือดร้อน มันทุกใจทุกกายทุกใจในนั้นการภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่พระพุทธเจ้าทรงสองนไว้เนี่ยมันถูกต้องงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาลงไปในจิตใจของตนให้ได้จะให้คนอื่นผู้อื่นเขาจะดีกัเรื่องของเขาเขาจะทั่วกวับเรื่องของเขา เขาจะไปแก้ไขบางอย่างมันแก้ไม่ได้เพราะกรรมที่เขาทํามันให้ผลเขาทําบุญบุญก็ให้เขาเขาทําบาปบาปก็ให้เขาเราทําบุญบุญก็ให้เราเราทําบาปบาปก็ให้เรานั่นแหละหนั้นพระพุทธเจ้าท่านเชงตื่นมาให้รีบเร่งตั้งใจภาวนาละกิเลส จนได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอ่านหนไม่ทอแท่อ่อนแอในหวัวใจยจนอะไรอะไรทั้งหมดนั้นท่านรวมลงไปคำว่าปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือว่านัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถ้าเราภาวนาถูกต้องตามธรรมนองของธรรมอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปปัญญาที่เราศึกษาเราภาวนาได้ดีแล้วมันแก้ไขในตัวมันมีเหตุไม่ปัจจัยเลยนะ ผลที่มันออกมามันมีเหตุมีปัจจัยคนทำบุญไว้บุญให้คนคนทำบาปไว้บาปให้คนจะมาแก้กลายเหตุนะมันแก้ไม่จกแก้ไม่ได้ต้องแก้ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ที่ไหนที่ใจภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังทุกขงังอนัตตาทั้งโลกทั้งลูกทั้งนามทั้งเราทั้งเขา อะไรตอนนี้อะไรเหล่านี้ต้องเรียนรู้ศึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์กัจจารูปพระองค์เรียนรู้จึงมีคําหนึ่งท่านจรัสไว้ไว่าคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโล ก, กวิถูรู้แจ้งโลกไว มันไม่ใช่เล็กน้อยรู้แจ้งโลกอะไรมันเป็นโลกเป็นกิเลสพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ไม่เฉพาะแต่รู้กิเลสผืนแถ่นดินท้องฟ้าอากาศอาวุากาศหืนน้ำในน้ำในดินในท่านรู้มันแหละแต่ท่านเอาความรู้ที่ไดวัรู้ละกิเลสมา่อนสาวกท่างหลาย สาวกทั้งหลายก็ น, นำเอาอุบายภาวนาละพิเลกไปทำความเพียนภาวนาละพิเลกจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาสติทาคาอนาคาอราหาันตาหมดทิ้งไปแต่คนเราสมัานายนี้นั่นเรียกว่ามันไม่ค่อยสนใจในธรรมไปสนใจในโลกมันเกิดได้รับทุกข์ เมื่อรับทุกข์แล้วก็จะไปให้มันไม่ทุกข์มันไม่ได้มันมาจากเหตุทําเหตุทุกข์มันก็ได้ทุกข์ทำเหตุสุ ข, ขมันก็ได้สุ ข, ขทาบุญได้บุญทําบาปได้บาปมันเองนี่เป็นอวัยวะเรา ท, ทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาพระกิเลส ไม่แช่ให้ง่วงเอาเรานอนฟุ้งซ่านลำคาญคืดตึงแต่จะไปจะไปบ้านเงินวายจหมดดังสแสดงมาก็สงควรด้วยกาละเยลาเอวังก็มีด้วยประกาละเสะนี สัีติโยวิวัตทันตุสัพาโลโควินาศตุมาเตภวั ต, ว, ตวันตรายโยสิทิคายุโกภวะอธิวาธนาสีรุษินจังวุทธาป จ, จายโนเจตตาโรธรมาวะทันติอายุวันโนโสขังสาตังภ า, าวนาฟังเทศ มาในท้างในป่าขัดนั่งสมาธิขัดสมาธิทุกทุกคนเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย <c oughs> <c oughs> าการนั่งขัดสมาธินี้พระพุทธโลกบางอง ท่านยังให้ชื่อว่าหลวงพ่อเพชรคือท่านนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างที่แนะนำนี่แหละการนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราสเสด็จออกบรรพชาหกพันาา 6, สาล่วงแล้วพระ อ, องค์เสด็จไปถึง จังหวัดพุทธคยาสมัยนี้มีต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังให้ชื่อว่าต้นไมโคที่เรานับถือว่าต้นไมโคเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาเมื่อพระองค์ไปถึงที่นั้นได้เห็น ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็พอภพทยว่าดูที่ไหนก็สวยสดงดงามจริงก้านใบสาขาพระองค์ก็ได้ความว่าเราจะต้องนั่งสมาธิภาวนาใต้ร่มเงไม้ต้นนี้ให้ได้ตรัสรูเสียทีการบำเพ็ญ บารมีของพระ อ, องค์มาก็เป็นเวลายาวนานแล้วเออสงไขแสนมากักแล้วก็มาถึงต้นไมโทนี้แล้วก็องค์ก็ดตั้งใจแน่วแน่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้จริงๆพระ อ, องค์นั่งเขนหลังให้ต้นไม้คอ ขินทางทางสัพพักหน้าไปทางทิตตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาพเน็์เมื่อนั่งแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิฐานใจลงไปว่าพระองค์จะนั่งสมาธิภาวนาให้เด็กศัตรูเป็นพระพุทธเจ้า หาไม่ได้ตัดสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าเราจะไม่ลบไปมาในที่ใดๆจะนั่งภาวนาโ้แล้วว่าเอาตายที่นี่เอาตายโซ <c oughs> <c oughs> จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆ แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลบจากที่นี้เป็นอันขาบแต่ก่อนมาพระองค์นั่งภาวนาเมื่อเน็ดเหนยเมื่อยหิวก็ลกไปมาเปลี่ยนอิริยาบดแต่บัดนี้พระองค์เอาเอาเด็ดขาดว่า เอาตายสู้จะไม่ลหลงไหลไปตามกิเลสมารสังขารมารเพราะว่าพระองค์ท่านก็ลุ่มหลงมัวเมามาในโลกอย่างพวกเรานี่แหละแต่เวลานั้นพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดเอาชีวิตแรกเอา เมื่อพระองค์นั่งขัดสมา็ิเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอบายภาวนาบทใดพระองค์ก็ได้ความว่าอนาปานุสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนา พระองค์ก็กาหนดลมหายใจเข้าออกด้วยการเมสติระลึกไม่ให้จิตใจสังขารวิญญาณที่แหลกแตกๆลอกลวงให้ล่มหลงไปเอาลมหายใจเข้าเอาลมหายใจออกนี่แหลกมัดจิตใจของพระองค์ ลมเข้าพระองค์ก็กาหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็กาหนดว่านี่เป็นลมหายใจออกมาเจตใจของพระองค์ก็คือเจ็ดดวงที่รู้ว่าลมหายใจเข้าออกพระองค์เอาลมหายใจนิ่มมัดจิตใจไม่ให้ไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมา ลวมเจ็บรวมใจของกระองค์เข้ามาโซลมหายใจลงสุดลงที่จุดจิตผู้โลกในตัวของกระองค์ก็มีเจตใจดวงหนึ่งเหมือนใจพวกเราทั้งหลายนี่แหละใจคนเราก็ดีใจพระพุทธเจ้าก็เสมือนกันแต่พระองค์บำเพ็ญโพธิญาณมาม มากมายการทำบุญให้ทาอย่างเราท่านทั้งหลายเหล่านี้แหละพระองค์ทำมานับว่าเป็นอสงไขยอสงไขยคำว่าอสงไขยนั้นชินเวลานานคลายกันกวาตั้งฟาตั้งแขนดินทีหนึง่งนับกันกับกับกันกันไปถึงขน้นพระองค์ก็ไม่ท้อถอย ในการทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าศีลแตกไหว้พระสวดมนต <c oughs> ์เจริญภาวานามาโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงที่ลมไม่โปนั้นพระองค์ไม่ถอยหลังแหละเช่นเมื่อกำหนดลมหายใจเข้าไปออกมาจิตใจท่านก็รักษาไว้ไม่ให้ไปที่อื่น ดวงเจ็ดผู้รู้ของกระองคงก็รวมกำลังมาสงบระนับลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเทวชัตมถากกรรมฐานกรรมฐานของกระพุทธเจ้าเมื่อท่านจะรวมจิตใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนั้นท่านเอาลมหายใจเป็นเครื่องรวมจิต จนจิตใจของพระองค์ส ง, งประงัตตั้งมั่นเป็นคันดิกะสมาธิคือว่าสมาธิอย่างก่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเรียกว่าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตของพระองค์เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วพระองค์ก็กำหนดโลคหมายถึงตัวนามหมายถึงจิต ว่านามโรปังนามและลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาไม่กี่ปีก็แสดงความแก่ความชราไปโดยลำดับท่านกำหนดความไม่เที่ยงหนึ่งเรียกว่านามะรปังอะนิจัง เมื่อร่างกายสังขารของพระองค์ท้อมโดยจิตใจไม่เที่ยงคนเอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครจะมาเที่ยงแค่แน่นอนยั่งยืนอยู่ได้ในโลกเหล่านี้นามโรปังนามและโลกนี้แหละเป็นทุกข์คนเราทุกข์คนที่เกิดมาแล้วในแต่เรื่องทุกข์ทั้งนะั้น ทกเหล่งนี้มันมาจากกิเลสพาให้ทกกิเลสนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะกิเลสความโกรธความโลภความหลงสามกอง3ามอย่างนี่เมื่อพระ อ, องมานั่งภาวนาเพียรละถอนตัดกระแสต่างๆออกฝปย ยันไม่มาหลงว่าตัวเราของเราพระองค์ปล่อยวางออกไปได้จริงๆเดี๋ยววัดตับจีแลความโกรธความขัดเคืองในหัวใจไม่ให้มีความโลบคือความอยากง่ายใจไม่ให้มีความหลง ที่จะมาหลงอยากโยอาศัยในโลกนี้ต่อไปพระองค์ก็ไม่หลงรู้ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่คนเรามาหลงยึดหลงถือว่าตัวเราของเราตัวโูของกูเพราะจิดหลง พระองค์ดับจิตที่หลงนั่นออกไปไล่กิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของพระองค์หมดสิน้นในคืนวันนั้นเองพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ตรัสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสตราาจารย์ในโลกละกิเลทร้อมทังวาสนา เสร็จสิ้นไปในคืนวันนั้นและวันนั้นก็เป็นวันเดือนหกแผ่นที่เราทำบุญวิสาสะดูพากันนั่นเองเดือนหกแห่งนี้จึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์กระโจนที่สวนลงทิมในประเทศอินเดียนั้น ก็เป็นวันเดือนหกเพนตอนที่ได้ปรัสรูเป็นพระพุทธเจ้านี้ศพพอดีเป็นเดือนหกเ่นอีกเมื่อพระองค์ตรัสรูแล้วโยในโลกนี้อายุของพระองค์แปดสิบปีบริบูรณ์ ก็ดับขันเข้าสนนเสลนุกทานที่กรุงับวบุรีหลักที่กรุงอ่าในประเทศอินเดียคุชินาลาัยก็เป็นเดือนหกเข็มอีกนี่แหละที่สิ้นศพลงไปนั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามามากมายผลที่สด เพราะความไม่พอถอยในใจของตัวเองจึงสำเร็จลุล่วงไปได้ทุกอย่างทุกประการอันเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา ยังมีศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหลือไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเล้าเรียนได้สะทึกตามปฏิบัติตามโล่จากการทำบุญให้ทานโล่จากรักษาศีลห้าศีลแกดโล่จากไหว้พระสวดมนต์ โลจากนั่งกรรมฐ า, านภาว น, นาทุกคืนทุกคืนนี่มาจากพระธรรมคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาเมื่อพระพุท ธ, ธเจ้าของเราได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วก็อยู่ในโลกเรานี่แหละสี่สิบห้าปี ได้ตรัสพระธรรมเทศนาไว้ได้แปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันเราท่านทั้งหลายจดจำไว้ว่าคำในพุทธศาสนามีอยู่มาตั้งแต่พระองค์สัสเลุ้แล้วจนบัดนี้ก็มีพุทธศาสนาอยู่แต่ว่าจะได้รับผลจริงๆเราทุกคน จาลืมเสียนี่ได้ก็คือว่าทุกคืนไม่ว่าเราจะโยที่ใดก็ตามก่อนจะหลับจะนอนเมื่อกลางคืนนั้นเราทุกคนให้ตั้งใจลงไปให้มั่นคงทีเดียวว่าเราจะต้องไหวพระจวดมน นั่งสมาธิภาวนาโดยเฉพาะคือว่านั่งขัดสมาธิแบบนี้ก็ให้พยายามฝึกไปนานไปก็จะคล่องแคล่วเพราะว่าแสดงความองอาจกล้าหาญของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์แสดงออกขึ้นความกล้าหาญแล้วก็ เอาจนได้ไัยชนะละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปเจวว้าวจ้งพระนิทานถึงพระนิทานอยู่ในเมืองนิทานท้งแก่ปรับสะลุที่ต้นไม่พอจิตใจของพระองค์ไม่สก่อกปอดลวงอีกแล้ว เพราะว่าี่เลสความโกรธมันดับไปแล้วี่เลสความโลภมันดับไปแล้วี่เลสความหลงมันดับไปแล้วมันตายไปแล้วจิตใจของขพุทธเจ้าทั้งเราก็เย็นสบายตั้งแต่นั้นมาตะลอดจนอายุสังขารได้แปดทิศปีจิตใจของเจ้องค์ก็สบายที่สุก เมียว่าดับขันไขโสนนริพานถึงนิพานรู้แจ้งนริฐานพระนิพพ า, า, า, านนั้นไม่ใช่มันโยท้องฟ้าอากาศใต้ดินใต้น้าที่ไหนก็ไม่มีก็มีโยในใจมนุษย์คนเราเพกคนนั้นแหละแต่ว่ามนุษย์คนเราสมัยนมี เรายัางไม่ได้ตั้ง อ, อกตั้งใจเอาจริงเอาจริงกันส่วนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าในขั้งพุทธการโน้ทนทำธรรมบุญให้ทานแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นรักษาศีลรักษาศีลห้าศีลแตได้แล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นท่านเหล่านั้นยังจเจริญภาวนา ในสมัยครั้งพุทธกาลโน้มไม่เลือกว่าญาโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านภาวนาทางนั้นภาวนาจนวายาโยอมก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์ตาตัวอย่างนี้คือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้า พระเจ้าสุโทโธทนะพระองค์ก็ไม่ได้ไปบวชเหมือนพระพุทธเจา้าโยเทตรงก บ, บินลัดัตโยหอปราสาดราพมนเทียปกครองบ้านเมืองแต่พระองค์ไม่ทอถอยทำบุญให้ทานรักษ า, 5, าสิ้นห้าสิ้นแปดไหว้ระสวดมนต์นั่งกรรมฐ า, านภาวนาทุกคืนทุกคืน เมื่อแกชลามาพระพุทธเจ้าเราก็สเสด็จไปโปรดได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาชินาศจบชลมจันทร์ดับขันเข้าโ่นาดูพาไม่ต้องมาเยนว่าตายเกิดเป็นทุกข์กันร้อนกับดินฟ้าอากาศอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ นั่นและคือท่านภาวนาเราทุกคนขอให้พากันตั่งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนเพราะว่าบุญบรารมีของคนเหล่านั้นแต่เก่าก่อนเราก็เคยบำเพ็ญมาแต่ว่าไม่ต้องไปตามดูละดูตัวของเราเวลานี้ ว่าร่างกายของเรามีอาการสามคิบสองไม่ยิกงลิบเจ็ดใจก็ดีเลื่อนไจในคุณตาพุทธธรรมประจงสะแสดงว่าบุญบารมีเก่าเราก็ทำมาพอสมควรเมื่อมาปัจจุบันชาตินี้เราไม่ทอถอยเราทำเพิ่มเติมไปอีกภาวนาทุกคืนทุกคืนม ทำใจให้ส ง, งบชิจะละาลาาโดโลกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตว่าตกโยในหลักอนิจังทุกขังอนัตตาทั้งโลกไม่มีที่ไหนที่จะยั่งเยืนถาวอนมัน่นคงอยู่ได้ไปเลยมีเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ชราชำรุดทุดโทรมในเวลาแก่ชราชำรุดทุดโทรมอยู่นี่ ก็มีพยาโรคาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นพักๆเป็นคราวๆอยู่เสมอย่อมสดแสดงถึงว่าเทวทูตทูตเทวดาเทวทูตเทวธรรมบอกเตือนเราอยู่ว่าเทวทูของคนเรานั้นจะมารักษาให้เป็นอยู่อย่างเดียวนี้ตลอดไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่แตกไม่ตายนั้นเป็นไปไม่ได้ เราเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของร่างกายสังขารมานุษย์คนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีไข้และมีตายแต่ก่อนจะถึงซึ่งวันตายเราจะต้องปฏิบัติภาวนาทมจิตทมใจของเราให้ขาวสะอาด ไม่มีความโกรธความขัดเคืองในใจไม่มีความโลภความอยากได้ในใจเกินไปไม่มีความลุ่มหลงมัวเมาในที่ทางทวงเอาใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ จรกระทั่งว่าไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปนามกายใจของเราของเขาเต็มโยในโลกนี้แหละเจตใจของเราก็จะมีกำลังความสามารถอานหารที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบ เอาจิตใจของตอนให้เข้าโซวความสงบระงรับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวานาจนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดยานอันวิเศษละกิเลสลาค ะ, ะโทสะโมหะในใจของตนของตนให้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปในที่สุด นั่นและสาวกสาวกของพระพุทธเจา้าเราทุกคนก็เป็นสาวกลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ว่าเรายัางไม่ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดไม่กลับมาลุ่มหลงมัวเมาในมนุษยโลกในเทวโลกในคมมาโลกนี้อีกต่อไป ฉะนั้นรูบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำ น, นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการละนี้ สัพพิตโยวิวัททันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะหิวาธนาสีริษณนจังวุตภาัจายิโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังตาลัง